15บธันวาคมบางคนจำนวนไม่น้อยนะจะริรวัฒแถบทั้งโลกเนยก็ว่าได้นะที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสที่จริงวันคริสต์มานี่ก็เป็นวันที่มีความสําคัญสําหรับชาวคริสต์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถึงไม่ใช่คริสก็รู้จักวันนี้ดีแล้วบางคนก็รอคอย ให้วันนี้มาถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันคริสต์สมาสมันก็ผูกพันเชื่อมโยงกับความสนุสนานรื่นเริงรที่จริงวันนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงความหมายที่แท้จริงเนี่ยก็เป็นวันที่เราลึกถึงวันประสูติของพระเยซูคริสต์บางทีเราก็เรียกว่าวันคริสต์สมภพวันคริสต์สมภพ ก็มีความเชื่อว่านะพระเยซูยรคริสต์เนี่ยประสูติในวันนี้แต่ที่จริงถ้าพูดในแง่ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานนะว่าพระองค์เนี่ยประสูติวันไหนแน่แล้ว้าเจอาไปแล้วเนี่ยวันที่สิบห้าธันวาคมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นวัน ที่คนในทางยุโรปเนี่ยเขาเฉลิมฉลองกันก่อนที่จะนับถือศาสนาคริสต์เพราะว่าช่วง22ทธันวาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวันเหมายันวันเหมายันคือวันที่เวลากลางคืนเนี่ยยาวนานที่สุด หรือว่ากลางวันที่มันสั้นที่สุดคนในยุโรปเนี่ยที่นับถือาศาสนาต่างๆที่ไม่ใช่าศาสนาคริสต์เนี่ยหรือก่อนที่าศาสนาคริสต์จะเข้ามาเนี่ยเขาก็เฉลิมฉลองกันประมาณวันนี้แหละนะพอสมัยก่อนนี่เขาก็ให้ความสำคัญกับ การโคจรของดวงอาทิตย์มากเพราะนั้นพอถึงวันที่เรียกว่าเหมายันเนี่ยสองีบธันวาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันเป็นเทศกาลฤดูหนาวของพวกที่ไม่ได้รับถือาศาสนาคริสต์หรือว่าก่อนาศาสนาคริสต์ที่เขาเรียกเป็นพวกเพกันโดยเพราะคนที่ อยู่ในจั ก, กรวรรดิโรมันนะโรมนสมัยก่อนนี่เาก็ก่อนที่ศาสนาคริสต์เข้ามาเขาก็มีการเฉลิมฉลองประมาณนี้แหละ25ธันวาแต่พอโรมเนี่ยเขานับเริ่มนับ เ, เริ่มรับนับถือศาสนาคริสต์เขาก็ไม่อยากจะให้มีการเฉลิมฉลองที่นอกศาสนาคริสต์นะ ใจะให้เลิกก็ไม่ได้นะเพราะว่าคนก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้แพร่หลายพอถึงยีบสองยีบสามยีบ่าธนวก็จะเฉลิมฉลองกันวิธีที่เขาใช้คือว่าการมาเอาความหมายใหม่ครอบเข้าไปในวันเนี้ยในการเฉลิมฉลองวันเนี้ยแทนที่จะเป็นการเฉลิมฉลอง เหมายันหรือเฉลิมฉลองพระเจ้าองค์อื่นก็เอาเป็นว่ามาเฉลิมฉลองการประสูตรของพระเยซูกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นอุบายนะอุบายที่จะให้อาการเฉลิมฉลองในจักรวรรดิโรมันมันเป็นการเฉลิมฉลองทางศาสนาคริสต์แทนที่จะเป็นการเฉลิมฉลองหรือบูชาเทวปเจ้าองค์อื่น ซึ่งการที่จะพระกรุลดีวาจะห้ามไม่ให้เฉลิมฉลองมันทำได้ยากเพราะคนมีความเชื่อกันแพร่หลายก็ฉลองก็ให้ฉลองกันไปแต่ว่าฉลองในความหมายใหม่นะก็คือฉลองการประสูติสมภพของพระเยซูเพราะนั้นก็เลยนะเกิดธรรมเนียมขึ้นมานะว่าหรือเกิดความเชื่อตามมาภายหลังวันเนี้ยพระเยซูเนีย ประสูตรนะในวันที่25ธันวาแล้วก็เฉลิมฉลองกันวันนี้แหละพอฉลองกันไปปีแล้วปีเล่าคนก็เลยลืมไปเลยนะว่าได้เริ่มเดิมทีในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลฤดูหนาวเนี่ยโดยเพาะ25ธันวาเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองของคนนอกศาสนาหรือคนศาสนาอื่นอันนี้เราเป็นการเอาความหมายใหม่สวมเข้าไปหรือครอบเข้าไปในประเพณีปฏิบัติของ ผู้คนที่มีอยู่แล้วซึงมันได้ผลมันดีกว่าการที่จะหักล้างหรือว่าห้ามไม่ให้มีการเฉลิมฉลองก็เฉลิมฉลองได้แต่เปลี่ยนความหมายใหม่นะมาเฉลิมฉลองการประสูตรของพระเยซูคริสต์นแต่นั้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยประสูตนวันนี้แหละ25ทธันวา ในเรื่องการเอาความหมายใหม่มาใส่เข้าไปในวิถีปฏิบัติหรือธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่แล้วนี่มันก็มีทั่วไปนะศาสน า, าพุทธนี่ก็มีร่องรอยหรือมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้อยู่เนะี่ยโดยพอเวลาพุทธศาสน า, านี่แพร่หลายไปยังดินแดนที่ก็มีความเชื่อตั้งเดิมอยู่แล้วเช่นในพื้นที่เถว บ้านเราเนีย่ยก็มีความเชื่อเรื่องยักษ์นะเรื่องผีเรื่องนาคนะอันนี้เป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาแพร่เข้ามาเนี่ยก็ไม่คิดที่จะทําลายความเชื่อเหล่านั้นแต่ว่าเอาความหมายใหม่มาใส่เข้าไปในความเชื่อเหล่านั้นเช่นเปลี่ยนให้พญา น, นาคเนี่ย กลายเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนาเรียก ว, ว่ากลื่นก็ได้นะกลื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนานเราก็จะเห็นนะตามวัดวารามยังจะมีบันไดหน้าหน้านี้ก็ถือว่ามาช่วยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสน า, าไว้แล้วคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเาก็เลยยอมรับนับถือพุทธศาสนาได้ง่าย เช่นยกัยักษ์นะยักษ์นี่นก็เป็นที่สิ่งที่มีเป็นความเชื่อดั้งเดิมจะเรียกว่าอาสูรหรืออมนุษย์ก็ได้ก็เอามาพิทักษ์เปลี่ยนมาเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนาเป็นทวารบาลอย่างมียักษ์เฝ้านะเฝ้าโบสถ์หรือว่าเป็นทวารบาลอยู่หน้าประตูโบสถ์ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ความหมายใหม่นะกับความเชื่อที่มีอยู่แล้วแทนที่จะหักล้างหรือแทนที่จะทำลายนะก็เพียงแค่เอาความหมายใหม่มาใส่เข้าไปมันก็ทำให้คนดั้งเดิม ยอมรับพุทธศาสนาได้ง่ายนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนานี้แพร่หลายนะไปตามดินแดนต่างๆโดยที่ไม่เกิดปัญหานะกับความเชื่อดั้งเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยลาวเขมรทิเบตจีน ให้การให้ความหมายใหม่เนี่ยมันก็จะว่าไปก็เป็นเป็นเรื่องของปัญญาชนิดหนึ่งนะในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีคำว่าอุปายโกศลก็คือความฉลาดในเรื่องที่เป็นเรื่องดีงามตรงเข้าก็ อุบายโกศนก็คืออบายโกษน์ฉลาดในทางเสื่อมอย่างเช่นฉลาดในทางลักเล็กขโมยน้อยหรือฉลาดในทางกระทําการทุจริตหรือว่าฉลาดในการทําสงครามฆ่าฟันผู้คนเพื่อขยายดินแดนอันนี้เรียกว่าอบายโกษน์แต่ทางพุทธศาสนานี้ให้ความสําคัญกับอุบายกโกษน หรือเรียกว่ากุศโลบายนั่นเองพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พรนะองค์เผยแผ่คำสอนไปตามดินแดนต่างๆเนี่ยก็เจอความเชื่อที่แตกต่างหรือส่วนทางกับพุทธศาสนาเยอะนะดยเพราะความเชื่อที่งมงายเนี่ยแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้หักล้างหรือทำลายความเชื่อเหล่านั้นนะ เพียงแต่เปลี่ยนให้มาสอดคล้องกับพุทธศาสนาหรือไม่ก็เอาใส่ความหมายใหม่เข้าไปอย่างเช่นมีคร้นตอนที่พระเจ้าตัดสรุปใหม่ๆแล้วก็เสด็จไปกรุงราชครืเนี่ยเพื่อไปสอนธรรมให้กับพระเจ้าพิพิสารมีวันหนึ่งที่พง์เสร็จบินฑบาตอยู่ในที่กรุงราชครืก็ไปเจอ มานพคนหนึ่งนะชื่อสิงารมานพเช้าตูวนี่เนี่ยกำลังกราบไหว้ทิตต่างๆนะพระเจ้าก็ถามว่าไว้ทิตต่างๆทำไมสิงารมานพก็บอกว่าพ่อได้สั่งเอาไว้ว่าเนี่ยเมื่อพ่อตายก็ขอยไหว้ทิศ ต, ต่างๆมีหกทิศ เพื่ออะไรนะก็เพื่อจะได้ปกป้องความชั่วร้ายผู้เจ้าก็ถามรายละเอียดว่าไหว้ทิศอะไรบ้างก็มีทิศเหนือนะทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างผู้เจ้าก็บอกว่าเออก็ไหว้ยอย่างนี้มันก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ตรงความหมายที่ถูกต้องนะเพราะว่าค้าว่าถูกต้องเนี่ยก็หมายคขาว่า ปฏิบัติถูกต้องต่อบุคคลที่เราเกี่ยวข้องทิตย์เบื้องหน้าก็คือใครนะทิตย์เบื้องหน้าก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปะิัติเพื่อความพ้นทุกข์ทิตเบื้องขวาวก็คือครูบาอาจารย์ทิตเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายข้างหลังก็คือสามีภรรยาเบื้องบนก็คือครูบาอาจารย์ อ๋คืออภิสุงของขจร เ, จเบื้องหน้าคือพ่อแม่นะขออภยัยเบื้องหน้าคือพ่อแม่เบื้องบนคือพระสองฆ์องค์ขจร เ, จเบื้องล่างคือคนทั่วไปหมายความว่าให้มีคุณธรรมนะต่อบุคคลทั้ง6นะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายคู่ครองสมณะจีพราหมณ์ ลูกจ้างหรือว่าคนทั่วๆไปถ้ามีคุณธรรมต่อบุคคลทั้งหกประเภทเหล่านี้เนี่ยจริงก็เป็นการไหว้ทิศอย่างถูกต้องถ้าสิงคารมามนบนี่ก็เกิดความเข้าใจนะแล้วก็เลยหันมาไหว้ทิศทั้งหกอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอันนี้ก็เรียกว่า เนอุบายของพระพุทธเจ้านะที่ให้ความหมายใหม่กับประเพณีวิธีการปฏิบัติที่มีอยู่แล้วแทนที่จะบอกว่าว า, วาที่ต้องหงนี่มันงมงายนะไม่ควรทําถ้าทําอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็ไม่เชื่อเพราะความเชื่ อ, องคนเรามันฝังลึกลึกแต่จะดีกว่าถ้าให้ความหมายใหม่กับการปฏิบัติก็ทําให้ คนยอมรับความหมายใหม่ได้ง่ายก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องมากขึ้นอย่างมีคุณธรรมสอดคล้องกับธรรมเรื่องการให้ความหมายใหม่เนี่ยกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะที่คนเราควรจะมี โดยเพราะเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายเจอกับความทุกข์ต่างๆเนี่ยแม้จะเป็นความทุกข์หรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตถ้าเราไม่รู้จักฉลาดในการมองนะเราก็จะทุกข์นะทุกข์กับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตที่มันฝังใจแล้วมันจะคอย โบยตีคอยซ้ำเติมสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเอาว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากลับมามองมันใหม่ให้ความหมายใหม่กับเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ได้นะอย่างอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เคยเล่า ว, ว่า ท่านเคยไปเรียนที่ประเทศอินเดียเนี่ยตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก11ปีและนั้นจึงกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเป็นอาจารย์ในช่วงแรกๆเนี่ยท่านมีความรู้สึกไม่ดีมากมีความรู้สึกแย่นะกับเหตุกับประสบการณ์ที่อินเดีย เวลานึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็รู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่ขมขื่นมากทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปอินเดียเลยแต่ต่อมาเมื่อท่านมีประสบการณ์มากขึ้นนะได้เห็มาทบทวนชีวิตของตัวเองแล้วมองย้อนกลับไปยังประสบการณ์ที่อินเดียเนี่ยต้องบอกความรู้สึกเปลี่ยนไปนะ เวลานึกย้อนกลับไปเนี่ยกลับรู้สึกซาบซึ้งไม่ได้ขบคืนเหมือนเมื่อก่อนซาบซึ้งเพราะว่าเห็นชัดว่านะประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันมีส่วนในการที่เปลี่ยนชีวิตของท่านแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะยากลำบากยังไรเช่นถูกคนแกล้งถูกคนดูถูกแล้วก็ต้องดินน้นรนตัดฟัน ในการเรียนทั้งที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยโหยากลาบากมากในช่วงแรกๆนึกย้อนไปทีไรก็รู้สึกเจ็บปวดแต่พอมองย้อนกลับไปอีกทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นความเจ็บปวดแล้วแต่มันแต่มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หล่อหลอมท่านถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ยากลําบากเหล่านั้นก็ไม่มีตัวท่านในวันนี้ ันความสมูนเปลี่ยนไปเลยนะจากเดิมที่มองกลับไปด้วยความสึก ข, ขมขื่นแต่ตอนนี้มองด้วยความสูขซาบซึ้งเพราะว่ามองมันในมุมใหม่หรือผู้หื่คือให้ความหมายใหม่กับมันแทนที่จะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เวลวร้ายเหมือนตกนรกกับมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลอหลอมนะให้กับตัวท่าน พอมองมันในมุมใหม่หรือให้ความหมายใหม่นะมันไม่กลายเป็นฝันลายแล้วมันกักลายเป็นประสบการณ์ที่ชวนให้ทราบซึง้งท่านบอกว่านึกถึงแล้วเนี่ยบางทีก็น้ำน้ำตาก็ไหลนะเรื่อความทราบซึง้งถ้าคนเราเนี่ยแม้ว่าจะมีจะผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างไรมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ซ้ําเติมเราหนะากว่าเรามองมันในมุมใหม่ หรือให้ความหมายหม่กับมันอย่างใช่ไรบางคนเนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กนี่รู้สึกขมขื่นมากนะกับการที่ต้องถูกพ่อแม่บังคับให้ทำนั่นทำนี่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นเหมือนกับเพื่อนคนอื่นนะพ่อบังคับแม่จำจีจำชายให้ทำงานบ้านบางที เพื่อนเพื่อนมีของเล่นแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ซื้อของเล่นให้เพราะว่าต้องการสาวรู้ให้ประหยัดตอนนั้นไม่เห็นรู้สึกว่าขมขื่นนะรู้สึกว่าน้อยเนื้อจำตําใจในโชคชะตาแต่พอโตขึ้นนะมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในเดืนนะกลับรู้สึกซาบซึ้งนะเพราะว่า ได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ความยากลาบากแต่เป็นช่วงหลังการฝึกฝนนะที่สร้างความเป็นคนที่เข้มแข็งพอมองว่าความยากลาบากเนี่ยมันกลายเป็นการฝึกฝนให้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปนะหรือเวลาที่เราเจอความผิดพลาดเนี่ยเราจะรู้สึกแจ้นะ แต่พอเรามองว่ามันคือบทเรีย น, น, นความสุขมันจะเปลี่ยนไปจะเกิดความรู้สึก ข, ขอบคุณนะขอบคุณเหตุการณ์นั้นขอบคุณความผิดพลาดที่มันทำให้เราฉลาดทำให้เรามีปัญญาเหตุการณ์ใดก็ตามเนี่แม้จะเหตุการณ์ที่เลวร้วายเนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นของดีได้นะ ถ้าว่าเรามองมันในมุมใหม่หรือให้ความหมายใหม่กับมันคำต่อว่าดาทอเนี่ยเวลามีคนต่อว่าดาทอถ้าเรามองว่ามันคือคำต่อว่ามันก็เจ็บปวดนะแต่ถ้าเรามองว่าเออนี่คือการชี้ขุมทรัพย์อย่างที่พระเจ้าตรัสสอนนะว่าเนี่ยตรัสสอนภาษาว่าว่าเนี่ยผู้ที่กระนาผู้ที่ ชี้โทษแล้วชี้โทษอีกให้กับเราเนี่ยอย่าไปมองว่าเขาต่อว่าด่าทอเราให้หมองว่าเขากำลังชี้ขุมซัพเพราะเราเปลี่ยนมุมมองหรือให้ความหมายใหม่นะโอ้มันทำให้เราเนี่ยฉลาดมากขึ้นแล้วก็ยอมรับคำตำหนิได้มากขึ้น แต่ถ้าเราให้ความหมายว่ามันคือการต่อว่าด่าทอเราเราจะรู้สึกต่อต้านมากเลยแต่ถ้าเรามองว่ามันคือการชี้หุมทรัพย์ให้กับเราใจเราจะเปิดรับแล้วเราก็จะทุกน้อยลงเช่นเดียวคนที่ต่อว่าเราพอเรามองในมุมใหม่นะเออข้าเขากาลังชี้หุมทรัพย์ให้กับเรา เขากลายเป็นอาจารย์ของเราทันทีเลยคนเราเนี่ยถ้ามองคนที่ต่อว่าเราว่าเป็นอาจารย์นะถ้ามันให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะถึงแม้ว่าคำตอาของเขานี่มันจะไม่มีเหตุผลหรือว่าจะไม่ได้มีเจตนาที่ดีแต่ว่ามันให้การเรียนรู้ที่ดีกับเราอย่างที่ หลวงพ่อพุทธทานโย่านเคยเล่าว่าเยเคยไปบินทบาทที่เมืองอุบลก็เห็นโยมคนหนึ่งนะกำลังยืนรอใส่บาตรอยู่กับลูกลูกชายก็อายุประมาณห้าหกขวบท่านก็เดินไปหาโยมคนนั้นแต่พอใกล้จะถึงเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็พูดกับท่านว่าเนี่ยมึงบอกแม่พระดอกมึงบอกแม่พระดอก ที่แรกท่านฉุนนะแล้วท่านมีสติ่อมีสติเนี่ยก็จะมีเสียงดังขึ้นมาว่าเออถูกของมันเราไม่ใช่พระเพราะแต่เราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอคิดได้เช่นนี้เนี่ยใจท่านสงบเลยแล้วก็เดินไปรับบาทจากผู้หญิงคนนั้นโดยที่ไม่ได้รู้สึกขุนเคืองผู้เป็นแม่นะ ที่ปล่อยให้ลูกพูดหรือว่าคุณเคืองลูกที่พูดอย่างนั้นกับท่านทั้งที่ไม่เคยมีใครพูดอย่างนั้นกับท่านมาก่อนต่อหลังท่านก็พูดถึงเด็กคนนั้นว่าเนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านคนเราเนี่ยพอมองเห็นคนที่ต่อว่าเราเป็นอาจารย์นะใจมันเป็นกุศลนะแตนที่มันจะเกิดความโกรธมันเกิดความรู้สึกขอบออคุณ แล้วกเกิดความรู้สึก ด, ดีขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองแบบฉลาดนะจะเรียกว่าเป็นการให้ความหมาย ใ, ใหม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคนเราเนี่ยมักเมื่อเราเจออะไรก็ตามเนี่ยลูปรสกินเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเรามักจะมีการตีค่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะตีค่าให้ค่าไปในทางที่เป็นลบ พอเราตีค่าให้ค่าเป็นนางที่เป็นลบนี่มันก็ทุกข์เลยนะแม้ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเยอะแต่พอเรามองว่ามันน้อยเราก็ไม่พอใจที่จะได้เงินร้อยล้านเนี่ยถ้าเรามองเป็นว่าเป็นลบนะหรือว่ามองว่ามันน้อยนะเราทุกข์นะแต่เงิน10บบาทถ้าเรามองว่ามันมากเนี่ยเราก็ดีใจ นส่วนหนึ่งมก็เรื่องเป็นเรื่องการเปรียบเทียบด้วยอย่างมีพนักงานอาสาสมัครรับโทรศัพท์สายด่วนของสมาริตตันเนี่ ย, ยเล่าว่า เ, เคยมีคนโทรศัพท์มามาระบายส่วนใหญ่คนโทรศัพท์มาหาสมาริตตันเนี่ย จำนวนไม่น่าก็มีความทุกข์มีความเครียดมีความกัดกรุ่มสูญเสียคนรักเจ็บป่วยหกหักแล้วก็อยากตายอยากฆ่าตัวตายทั้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ลำบากยากจนนะแต่ว่ารายนี้เนี่ยเขาโทรมาเนี่ยฟังดูแลนี่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่นะเขาก็มาระบายนะถึง กิจการที่มันไม่เป็นไปนอย่างที่หวังทีแรกนึกว่าธุรกิจเขาล้มเหลวหรือว่าล้มละลายไม่ใช่เลยนะธุรกิจเขากำไรนะกำไรต้องห้าพันล้านแต่เขาเครียดมากน้อนไม่หลับกัดกรกุ่มใจมาก ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าปีก่อนเนี่ยเขาได้ธุรกิจเขาเคยได้กําไรหมื่นล้านแต่ปีนี้ได้กําไรแค่5้าพันล้านเลยกลุ้มใจเลยเครียดนอนไม่หลับจนต้องคิดถึงการฆ่าตัวตายโอ้หพันล้านนี่มันไม่ได้น้อยเลยนะกำไรนะไม่ได้ขัดทุนนะแต่สำหรับชายคนนี้เนี่ยถือว่าน้อยนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทียวกับหมื่นล้านที่เคยได้พาอมองว่ามันน้อยหรือให้ข้าวมันน้อยนะมันก็เลยทุกข์เนี่ยขณที่คนบางคนนี่ได้200ร้อยสรอยนีก่ก็มีความสุขเพราะก็ให้ข้าวมันเยอะถ้าคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเจออะไรได้อะไรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ว่าเราให้ข้าวหรือให้ความหมายมันอย่างไรด้วย เจอเสียงดังนะถ้าเรามอว่ามันเจอเสียงที่มากระทบนะถ้าเราให้ค่าว่าหรือตีความว่าให้ความหมายว่ามันเสียงดังนะเราหงุนหงิดนะแต่พอเราให้ความหมายใหม่นี่ในทางที่เปิดผวงี้เราก็รู้สึกเพลิดเพลิพนหรือยินดีหรือพอใจอย่างที่มีพิธีกรคนนึงเล่า ว, ว่าเนี่ยขับรถไปกับลูกชายสองคน ลูกชายนึงเขวดคน1นขวดอยู่เบาะหลังลูกเด็กสองคนนี่พอเจอกันก็เล่นกันเล่นกันหยอกกันเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนทั้งถึงจุดหนึ่งแม่ซึ่กำลังขับรถอยู่ก็หันมาเอ็ดว่าหยุดคุยหยุดเล่นกันได้แล้วเสียงดังรบกวนแม่เด็กก็เงียบนะพอพักตัวเล็กเนี่ยก็ ยืนหน้ามาหอมแก้มแม่แก็บอกว่าคุณแม่ครับลองมองวพ่อมันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกดูสิครับแล้วคนแม่คนที่เป็นแม่นี่ได้คิดขึ้นมาเลยนะัพักเนี่ยเด็กก็ส่งเสียงดังอีกนะแล้วก็ดังดังขึ้นดังขึ้ น, นจนทั่งดังเท่าเดิมแต่คือคราวนี้แม่ไม่หงุดหงิดแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้หมอว่ามันเป็นเสียงดังแต่หมอว่ามันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกอันนี้คือการให้ความหมายใหม่นะกับสิ่งที่ได้ยินพอให้ความหมายไปในทางบวกนะใจมันก็ไม่ทุกข์นะไม่หงุดหงิดแล้วคนเราเนี่ยต้องฉลาดนะฉลาดในสิ่งที่เรียกว่าอุปยโกศสนฉลาดในการ ให้ความหมายหมายกับสิ่งต่างๆเวลาเจอทกุก็มองว่าเออเขากำลังสอนทําให้กับเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือธรรมะพอเรามอว่ามันคือธรรมนะใจเราก็จะเปิดรับหรือเวลาเราปฏิบัติแล้วมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันมีความหลงเยอะเลยนะถ้าเรามองว่ามันแย่นะ เราก็ถูกนะแต่ถ้าเรามองว่าเออพวกนี้มันเป็นวัตถุ ด, ดิบนะที่จะมาสอนให้เรามีสติเป็นแบบฝึกหัดให้กับความรู้สึกตัวแล้วกลายเป็นของดีไปเราก็ไม่หงุดหงิดกับการที่ใจมันฟุง้งกับการที่หลงอยู่บ่อยๆเพราะว่าไอการหลงนี่มันก็สามารถจะเป็นวัตถุ ด, ดิบให้เกิดความรู้ตัว มากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ที่หลวงพ่อคำแก่นชอบพูดว่าเนี่ยเปลี่ยนทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปายะโกรธสนอย่างหนึ่งนะคือความฉลาดนะในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นลบให้กลายเป็นบวกเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ย นั่นถ้าเราเจออะไรก็ตามเนี่ยนะแม้ว่ามันจะแย่แต่พอเราให้ความหมายใหม่นะว่าเออมันก็เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ได้เหมือนกันนะถ้ามันก็ทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่จะไม่ทุกข์แล้วนะแต่ว่ายังได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นแม่กิเลสเนี่ยแม่ความโกรธมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรามองว่ามันเป็น แบบฝึกหัดนะมันเป็นอุปกรณ์ที่สอนให้เรามีสติให้เรามีความสึกตัวไวๆอันนี้ก็จะว่าเป็นอุปยกสนหรือว่ากุศโลบายอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะมีพูดง่ายคือรู้จักเปลี่ยนทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นประโยชน์นะในการฝึกจิต ในการเพิ่มพูนทำมาให้เจริญงอกงามในใจเรา